น้องภาวนาไปสบายๆน้องภาวนาตามสบายไม่ใช่ให้หยุดภาวนานะน้องภาวนาสบา ย, ส, บายสงบไหมใจอยู่ไหมตั้งใจภาวนาไหมใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหม ลูกคิดไปยังไงบ้างอยู่ในขั้นต่อสู้รอเปล่าต่อสู้ก็คือมันโดดออกไปแล้วก็ดึงกลับมามันโดดออกไปแล้วก็ดึงกลับมามันเผลอไปแล้วก็ดึงกลับมาเผลอไปแล้วกดาา็ดึงกลับมาทำอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนักสติดึงเข้ามาดึงกลับมา เอา ม, ามัดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นหลักเอาพุทโธกันอารมณ์มัดจิตเอาเชื่อคือสติมัดจิ ต, ต, จตให้มัติอยู่กับหลักคือพุทโธพุทโธพุทโธตั้งสติให้แน่วแนว่ให้มันคงดํารงสติให้มัน่นตั้งสติให้มาก ถ้าสติไม่มากจิตไม่อยู่พอสติเราเด่นชัดมากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตมันก็เริ่มอยู่พอมเริ่มอยู่เหมือนกับสติต้องผ่อนไปคลายไปจนจิตสงบจิตสงบจิตไม่โดดไม่ดิน้นไม่โดดไม่ดิน้นจิตก็เด่นจิตก็สงบมันรวมถึงว่ามันมันอ่อนแรงอยากให้มัน สติพยอดึงมาโดดออกไปแล้วก็ดึงกลับมาโดดออกไปแล้วก็ดึงกลับมาแต่ที่สําคัญก็คือตรงที่เราทันหรือไม่ทันนะถ้าไม่ทันก็ยืดไปจังยาวเหยียดก็จะรู้แต่ถ้าเราทันมันโดดโดดออกไปก็รู้ก็ดึงกลับมาให้อยู่กับที่อยู่กับคาบริกรรมเหมือนเดิม ไปนั้นท่านจึงให้เอาลมกํากับหายใจเขา้าพุทธเข้าไปหายใจออกโทเข้าไปถ้าสติมันจืดมันจางมันเจือจางสติมันไม่แน่นหนามันของก็ให้ตั้งเจตนาให้มากคือจองใจให้มากจงใจระลึกจงใจบริกรรมหายใจเข้ากับพุทธ ไป okay. ใจออกอโธวุฒโทวุฒถอย อ, อยู่นี้างนี้อยู่จังหวะอย่างนี้อย่าไปส่งหน้าส่งหลังเรื่องเก่าเรื่องใหม่ที่มีเคยมีอยู่ในใจนี่ยพับเก็บยกเลิกเก็บพาไปก่อนเอาจิตให้สงบซะก่อนอย่าปล่อยมันวิ่งไปกับอารมณ์เก่า อารมณ์เก่าที่มันเคยดึงเคยหลากไปอารมณ์อะไรที่มันรุนแรงที่สุดมันก็ดึงไปกับอารมณ์มันั้นมันไม่อยู่มันไม่สงบถ้ามันสงบแล้วมันมีความสุขมากเรานั่งอย่างนี้ยยังมีความสุขมากมันสุขสุขเพราะมันสงบมันสุขที่จิตเพราะจิตมันสงบไม่ใช่ว่ามีความสุขยินดีพอใจกับอากาศ โปรง่งโลง่งโถงเบาสบายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้จิตของเราเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะไม่ห่วงไม่กังวลไม่อบไม่อา้าวไม่ร่าวนไม่ร้อนยุงก็ไม่กวนนื่อมันไม่มียอย่างอื่มากวนจิตก็พร้อมที่จะสงบล้วก็ทำอย่างนี้มีงานของเราคืองานหลักของเราที่เราจะต้องทํา เราจะอยู่ที่นี่หรือเราจะอยู่ที่ไหนก็คืองานเนี้ที่เราจะต้องทำงานหลักของเรางานใจของเราถ้าเราอยู่อย่างนี้เราทำให้อยู่ยากทำให้สงบยากทำให้อะไรยากเรายิงไปหาเรื่องอื่นมากวนมั น, มนก็ยิ่งสงบได้ยากมันหา้นระความทุกข์ด้รับความทรมาน เราก็ได้รับประสบการณ์เช่นอย่างออกทัดงเดินตัดงไปนน่นเดินตัดงไปนี่มันก็เป็นเหฮรให้เราเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนความเกี่ยวข้องกับแขกกับคนเปลี่ยนความเกี่ยวข้องกับมูงกับเพื่อนกับพวกแต่ถ้าหากเราตั้งใจภาวนาให้จิตอยู่อย่างนี้ไม่ได้สงบไม่ได้มันก็สงบไม่ได้อยู่ดีนั้นแหละ ไปก็เอาประสบการณ์ที่ที่ผ่านไปนะ่ะมันเล่าสู่กันฟัง้เฉยๆประสบการณ์ภายในใจแท้ๆถ้าเราสังเกตพยายามทาให้เกิดให้มีขึ้นเราอยู่อย่างเนี้ยเรายิ่งไม่หวาดระแวงเราอยู่อย่างสะดวกสบายพูดถึงเรื่องที่พักเราก็ไม่ห่วงไม่กังวลเราพูดถึงเรื่องอาหารเราก็ไม่ห่วงไม่กังวลเรามีที่บิดาบัดมีที่โขบมีที่ฉัน เราพูดถึงหมู่เพื่อนเขามีตีหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติทำด้วยกันมันก็มีเป็นเหตุให้ห่วงให้กังวลพูดถึงใครจะมารบกวนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นเหตุให้รบกวนจิตใจของเราเราไม่ได้รับหน้าที่โดยตรงที่จะเป็นเหตุให้เขาจะต้องมารบกวนมีครูบาอาจารย์มีคนคอยดูแลคอยกำกับ คอยดูแลมันก็เป็นเหตุไม่ให้เกิดความห่วงเกิดความกังวลเราก็จะได้ต่างหน้าต่างตาทางานอย่างเดียวเนี่ยคือภาวนาอย่างเดียวเนี่ยก็มีท่านี้เองนอกจากมันไม่ได้ตั้งใจภาวนาแล้วก็ตั้งใจนึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้นึน ก, น ก, นกสารพัดให้จิตออกนอกแล้วก็ บ, บางคนก็มีนิสัยเพ่งเลงหมู่ เพ่งเลงหมู่ยงนั่นคนนั้นยังนั้ น, น, นคนนี้อย่างนี้เพ่งเล็งแต่เขาจะของไม่เพ่งเลงเพ่งเล็งภายในใจเฉยเฉยเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่บางทีก็เอาคําเพ่งเล็งเขาเนี่ยไปพูดไปคุยไปสนทนากันไปอะไรแต่ไหนไฟตามมาอะไรจะหนิฟืนไฟมันตามมา เ, เพราะอะไรเพราะปากพรอยปากบอนปากอยู่ไม่เป็นสุข ทุกใจตาหมาใช่ ไ, ไหมอยู่ดีไม่ดีไม่เป็นผ้าสุขนะี่ยไม่ได้ตั้งใจภาวนาไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วออกไปมันตั้งใจปฏิบัติธรรมไหมในเมื่อจิตใจก็จิตใจดวงเดียวเนี่ยออกไปสํานักนั้นก็ไปตำหนิเรื่องนั้งงนเรื่อง น, อง น, องนี้อย่างนั้นอย่างนี้อีกแหละแล้วออกจากนู้นเขไปสํานักนู้นก็เอาสํานักนี้แหละไปตำหนิให้เขาฟังออกจากที่นโน้นไปที่โน้นก็เอาจากที่น น, น่นแหละตำหนิให้เขาฟัง ไม่เคยตําหนิตัวเองแล้วคนที่ไหนเขาจะโง่เขาจะมารับฟังนอกจากเขาจะสมน้ําหน้าเราไม่รู้จักนึกจะคิดจักพิจารณาว่าเป็นเรื่องอา่านเรื่องทำไม่รู้จักประโยชน์ที่จะพึงเอาเท่านั้นแหละอย่าคิดแต่ว่าจะมีแต่คนโง่เขาฟังเราคนฉลาดกาฟังเราเนี่ยแยบไปเนี่ยเขารู้ทันทีมีเราต้องระวัง ความนึกความคิดกิริยาแบบนั้นไม่ใช่กิริยาของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ได้หลักไม่เกณฑ์ได้อัดได้ทำเป็นความนึกความคิดของคราวาสเป็นคราวาสที่ชอบกวนตัวเองชอบกวนหมู่ควนเพื่อนระวังให้ดีแท้ แ, ทแหละหากฉลาดอัดชร้นยะจ ร, ยจริงๆเน่ะฉลาดยังไงมันก็ต้องได้พึ่งพาอาศัยหมู่ มันต้องได้เกี่ยวข้องกับหมูงเพราะฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมีพี่เลี้ยงที่ดีคอยบอกคอยเตือนคอยสอนเราอยู่ตรงนี้นี่เราพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมงใครจะสอบใครจะถามใครจะอะไรแต่ อ, อะไรเนี่ยใครจะมีความนึกความคิดเห็นปรึกษาห้าหรืออะไรต่ออะไรเเราก็เป็นหลักเป็นประธานให้ ถ้ามาพูดกับเรามันก็ได้ประโยชน์ไม่มาพูดกับเราไปหามพูดกับหมู่กับเพื่อกเลยได้โทษมันมีโทษที่ใคร่โทษกลับมาเปาะเอาที่ใจเจ้าของเน่ะเอาฟืนเอาไฟเพราะเจ้าของไปเอาฟืนเอาไฟมาใส่อยู่ที่นี่เป็นอย่างนี้อยู่ที่ไหนมันจะไปมีความสุขที่ไหนในเมื่อความร้อนอยู่ที่ใจนั่นไปที่โน้นก็ไปตำหนิที่โน้นอีกไปที่นน้นก็ไปตำหนิที่นู่นอีก อยู่ที่นนี้ก็ไม่มีใครดีสักคนเนี่ยนับตั้งแต่เรานี่ลงไปเนี่ยมันเอาไปตําหนิหมดนี่กิริยาความประพฤติแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้จิตจะได้รับความสงบได้ยังไงกิริยาแบบโลกโลกกิริยาของกิเลสแต่เราไม่ยอมละเราไม่ยอมวางไม่ยอมละไม่ยอมวาง แล้วมาแสวงหาความสงบมาแสวงหาความสุขมันจะได้รับความสงบได้รับความสุขได้ยังไงเมื่อเราไม่ปล่อยในเมื่อเราไม่ว่างมันมีเราจะเอาอย่างงั้นหรือเอาอย่างงั้นก็ได้อย่างงั้นมันก็ได้แต่ไฟฟืนไฟไปใส่เจ้าของเมื่อรู้อยากแสวงหากรรมที่ดีกรรมที่บริสุทธิ์ให้กับใจเจ้าของหาแต่ฟืนแต่ไฟให้กับใจเจ้าของหายังไงล่ะยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้ ยกโทษยกก่อนคนนั้นยกโทษยกก่อนคนนี้มันตําหนิ่ได้ทนั้นแหละเยะว่าแต่เราตําหนี่ได้เนี่ยเขาก็านั่งตำหนีเราได้นอนตำหนี่เราได้เหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่ตำหนี่เราทําไมไปตําหนิ่นึกตำหนี่ในใจคนเดียวเนี่ยยังไม่เกิดโทษเกิดโทษก็เกิดโทษในใจคนเดียวอ่ะแต่เวลาเสร็จแล้วไปวิจารณให้คนนั้นฟังวิจารให้คนนี้ฟังนี แล้วไอ้เรื่องที่คาดเรื่องที่เดาเรื่องที่ไปตะไปเกณะบางอย่างก็จริงบางอย่างก็ไม่จริงมันก็เอาไฟเอาฟืนมาใส่ก็้าของมันกลายเป็นเรื่องเปิดเผยขึ้นมากลายเป็นเราเองื้อเองอเป็นหัวบาทเหมือนกันเถอะหัวแผลหลังหวัดหลังหวัดเข้าระบาดระแวงไปหมดเพราะฉะนั้นก็ระแวงคนนี้ก็ระแวงทํำไมจะไม่ระแวงแล้วะเคยตําหนิเขาอะ เนี่ยเขาน่าจะรู้เรื่องเราที่เราพูดงันอย่างนั้นคนนั้น น, น, น่าจะรู้เรื่องเราที่เราพูดอย่างนี้มันก็ระแวงไปหมดมันหาความสุขที่ไหนและความนึกความคิดแบบนี้เนี่ยความนึกความคิดแบบนี้ถ้าจะว่าโดยหลัก แ, แท้ๆเนี่ยยังไปไม่ได้ยังไปจากครูจากอาจารย์ไม่ได้ไปทําตัวโดยลําพังโดยอิสระไม่ได้อะมันไม่มีประโยชน์พอเกิดประโยชน์อะไรในเมื่อ เราอยู่สะดวกสบายแล้วเราไม่ได้ตั้งใจทําเอาเมื่อได้ตั้งใจฟังคำํำบอกคาสอนคําฝึกฝนอบรมใอค้คนหนึ่งตั้งใจอบรมจะเป็นจะตายแต่ก็ไม่เอาไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหละเนี่ยถ้าสังคมเรามีคนเช่นนี้อยู่สักหนึ่งคนหรือสองคนสังคมั็แตกเขาวุ่นวายไปหมด ไปกระซิบกระซาบคนนั้นไปกระซิบกระซาบคนนี้ไปเป่าใส่หูคนนั้นไปเป่าใส่หูคนนี้มันมีเพราะว่าไม่น่ามีสังคมอย่างนี้เอาทิ้งให้หมดเผามันทิ้งให้หมดในใจของเราเอาไม่ใช่ทําไมมันผิดเจ ต, ตนาดั้งเดิมที่เราตั้งใจมาบวชมันมีที่ผมพูดเรื่อยๆให้หมุดได้นึกได้คิดเนี่ยมันมี ถ้าเก่งกาดสามารถจริงๆมันก็ไม่พ้นมาพึ่งพาอาศัยหมูเนี่ยนะมาพึ่งพาอาศัยหมู่แล้วก็มันต้องให้เกิดความรักความสัมคีความปรองดองนิสัยของใครเป็นยังไงเป็นไงถ้าไม่เข้ากับเราเราก็ไม่สนเลยเราก็อยู่ปฏิบัติของเรามีข้อวัดปฏิบัติของเรามีเราก็ตั้งใจปฏิบัติไปไปทำความเดือดร้อนอะไรให้กับตัวเองไม่ใช่ทําความเดือดร้ายคนอื่นนะเนี่ยทําความเดือดร้อนให้กับตนเองแล้วมันอยู่มันได้ ไปหาอัตหาธรรมไปหาที่ไหนหาอัตหาธรรมมันอยู่ที่ไหนอัตธรรมอยู่ที่ไหนแล้วก็ที่พาภาวนาเนี่ยย้อนมาย้อนมามาดูที่นี่มาพิจารณาที่นี่มากํากับมาดูที่นี่มาทําลายที่นี่มารู้เท่าทันที่นี่ที่ใจไปหาดูที่ไหนพิจารณาดี ทุต ด, ดงสิบสามข้อไปไปดูทุต ด, ดงสิบสามข้อไปอ่านดูนะอยู่ในห้องนะมีทุต ด, ดงสิบสามข้อนเดินเป็นทุต ด, ดงอมีไหมไปดูที่สิบสามข้อมีไหมเดินที่เป็นทุต ด, ดงมีไหมสิบสามข้อมีอะไรบ้าง เ, าเกี่ยวกับกีวรเนื่องถือผ้าสามผืนนี่เป็นทุต ด, ดงข้อหนึ่ง ผ้าสามผืนสบงจีวันสังขารนี่เป็นทุตดอกข้อหนึ่งถือผ้าบางสกุลถื อ, อผ้าสามผืนเป็นวัดนี่เป็นทุตดอกข้อหนึ่งสบงจีวันสังขาอีกข้อหนึ่งก็ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดนี่ก็เป็นทุตดอกข้อหนึ่งถือ um ah สามผืนเป็นวัดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ผ้ามากมายไม่ลำบากในการเก็บในการดูแลในการรักษาในการ ถือปรุงพระรังถือมักน้อยถือสันโดษสามผืนพุทธเจ้าทรงอนุญาตแค่นั้นใช้แค่นั้นอีกเป็นทุนรองข้อนหนึ่งนะการถือแบบนี้เป็นการถือแคร่งคลัดเป็นระบบระเบียบให้กับตัวเองแล้วก็ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดผ้าบางสุกุลก็คือผ้าที่เราไปชักเอามาที่เรียกว่าผ้าบางสุกุลผ้าบางสุกุลสมัยก่อนนั้นนะ่ะ เขาไปชักเอาตามกองขยะบ้างตามผ้าพันศกบ้างสมัยพุทธกาลมารยะหลังก็เขารวพระแสวงหาผ้าเขาเอาผ้าไปห้อยไว้ตามต้นไม้บ้างอะไรบ้างให้พระไปชักเอาชักมาเพื่อเปลี่ยนผ้าบางสุขุลปังสะกุละกุละแปลว่าผ้าบางสุแปลว่าฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นเรียกวผ้าบางสุขุลผ้าบางสุขุลคือผ้าเปื้อนฝุ่น เป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วเป็นผ้าที่เขาไม่ต้องการเป็นของที่ไม่มีโทษพระก็ไปชักเอามาอิมังปังสุกุละเกียวรังอัามิกังไม้ห่างปาพุนาติอัามิกังไม้ห่างก็คือไม่มีเจ้าของผ้าผืนนี้ไม่มีเจ้าของย่อมถึงแก่ข้าไปเจ้ามีประเภทว่าไม่มีไม่มีคนเอาไปวางไว้นะเช่อย่างเขาพันศพเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งในกองขยะ พระก็ไปขี่ออกมาแล้วก็มาซักออมาซักแล้วก็มาตัดแล้วก็มาเย็บแล้วก็มาย้อมพอเป็นผ้านุ่งก็ทําผ้านุ่งพอเป็นผ้าห่มเป็นยีวอนก็ทํำผ้ายีวอนมีผ้าบางสกุลและอีกประเภทหนึ่งประเภทที่เขาเอาไปห้อยไว้เช่นอย่างเรามาวางไว้ให้ชักผ้าบางสกุลอันนี้เราก็ไปชักีมังบังสกุลเกี่ยวรงังสัตซ่ามีกำมัยห้างปลาปนติผ้าบางสกุลผืนนี้ มีเจ้าของย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าเราไปชักเข้ามาก็ เ, าเหมือนอย่างที่ก็วางให้ช่างอยู่ตามตามงานศพงานอะไรเป็นผ้าบางสุคุลที่มีเจ้าของอที่เขามาอวางไว้เราชักไปแล้วไม่เกิดไม่เกิดโทษมีเป็นทุ ด, ดงเป็นทุ ด, ดงถือผ้าสาผืนเป็นวัดธุ ด, ดงข้อหนึ่งข้อสองถือผ้าบางสุคุลเป็นวัดมีกุฏิธุ ด, ด, ดงข้อหนึ เปสองข้อแล้วทีนี้เกี่ยวกับบินทบาทเกี่ยวกับบินทบาทฉันในบาทเป็นวัดนี่ก็เป็นทุดดงข้อหนึ่งเหมือนอย่างที่เราฉันทุกวันฉันในบาทเป็นวัดเป็นทุดดวงข้อหนึ่งแล้วก็เที่ยวบินทบาทเป็นวัดนี่ก็เป็นทุดดวงข้อหนึ่งเที่ยวบินทบาทไปตามแถวเป็นวัดนี่ก็เป็นทุดดวงอีกข้อหนึ่งแล้วก็ ฉันอาสนะเดียวเป็นวัดฉันที่นั่งเดียวฉั้นมือเดียวเป็นวัดนี่เป็นทุตดอกข้อหนึ่งมีกี่ข้อแล้วเนี่ยที่เราทำํำทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราได้ทุตดอกกี่ข้อเรานับเอาอี่เกี่ยวกับการถือทุตดอกทุตดงแปลว่าขัดเปลาเป็นเครื่องขัดเปล่าท่านพูดตรงมากนะขัดเปลามาที่กิเลสภายในใจของเราเนี่ยแหละไม่ให้ไปเดินสะดวกสบายสำราญอารมณ์อยู่อย่างนั้น่ะ ไปที่นู่นไปที่นี่ไปแล้วก็มาเล่าให้กันฟังเท่านั้นเองบางทีกไม่ได้ตั้งใจไปภาวนาอะให้ธรรมะเกิดในใจจริงอยู่การที่เราหลบเราออกไปเป็นการเป็นคราวนั้นนะ่ะถูกต้องสะดวกสบายแต่ต้องต้องรู้ต้องรู้รอบขอบคิดในระบบในระเบียบแล้วก็การรู้จักบังคับบัญชาตัวเองได้ให้เป็นไปตามนั้นได้ มีการถือทุธนงเดินไปเฉยๆเดินไปอย่างนี้ไปภูรุนั้นเดินไปจากรุนนั้นไปภูลุนั้นเน่ยการเดินแบบนั้นไม่เป็นทุธนงแต่หากมันได้ความวิเวกอยู่หากได้วิเวกอยู่อีกเกี่ยวกับบินธบาตเมื่อกี้ฉันในบาทเป็นวัดนี่เป็นทุธนงข้อหนึ่งเที่ยวบินธบาติเป็นวัดนี่เป็นทุธนงข้อหนึ่งเที่ยวบินธบาติไปตามแถวเป็นวัดเป็นทุธนงข้อหนึ่ง นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดหนี่เป็นทุดองข้อหนึ่งสี่ข้อแล้วนะ่สี่ข้อเป็นท่าไรสี่ห้าหกเป็นหกข้อแล้ ว, ล 4, 5, 6, ลวทุดองทั้งหมดมีอยู่สิบสามข้อทีนี้เกี่ยวกับการอยู่ป่าเป็นวัดหนึ่งการอยู่โคนไม้เป็นวัดหนึ่งอยู่ป่าเป็นวัดอเราเดินไปแบบนั้นถ้าเรายังไปพักในวัดมันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในป่า ถ้าเราไปเราจะต้องไปพักตามป่าพักตามโคนไม้นี่เราต้องรู้ว่าอยู่ป่าเป็นวัดนี่เป็นทุดดงข้อหนึ่งอยู่โคนไม้เป็นวัดนี่เป็นทุดดงอีกข้อหนึ่งอแต่เราอยู่ได้เฉพาะหน้าหน้าแรงหน้าฝนนเราอยู่ไม่ได้อยู่ป่าอยู่ไม่ได้เพราะฝนตกอยู่โคนไม้ก็อยู่ได้เฉพาะหน้าแรงหน้าฝนเราอยู่ไม่ได้ฝนตกแดดออกฟ้าผ่าต้องระวังนี่ การอยู่ป่ามันก็ได้รับประโยชน์ได้รับความสงบเงียบเงียบได้ความสงัดได้ความวิเวกวังเวงได้ความต่อสู้ น, นี่คือประโยชน์อันนึงมันต้องรู้ต้องเข้าใจไม่ให้เดินไปเดินเป็นทุ ด, ดงไม่มีหรอกไปพูดคำว่าทุ ด, ดงต้องไปพูดให้มันถูกเดินไปตามป่าตามเขา เดินไปแล้วก็ไปพักอยู่ในวัดอยู่กติดีๆมีที่ใช้มีที่ใอยสะดวกสบายดีๆแล้วมันจะต่างอะไรกับวัดเราออืแล้วก็ไปแทนที่จะไปสงบวิเวกวางเวงก็ชวนหมู่ไปหนึ่งไปสองไปสามแล้วมันไปจะไปสงบวิเวกวางเวงอะไรแล้วก็อยู่วัดเราไม่ดีกว่าเลยเรื่องการไปทิดดงต้องรู้เรื่องต้องเข้าใจเป็นหกข้อนะเจ็ดแปดข้ออยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัด คำว่าอยู่ป่าเป็นวัดคืออยู่ในป่านั่นแหละไม่มีที่มุงไม่มีที่บังอาศัยอยู่ตามร่มไม้ในป่าป่าตรงไหนอ่ะอยู่ในวัดเราเนี่ยป่าเต็มไปหมดป่าไัยก็ได้ป่าภัยก็ได้ป่าต้นเชี่ยวกบเชี่ยวก็ได้เราก็อยู่ไปอยู่ได้อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ป่าเป็นวัดไม่อยู่ในที่มุงที่บังอยู่โคนไม้เป็นวัดไม่อยู่ในที่มุงที่บัง แดข้อแล้วล่ะแล้วก็อยู่กลางแจ้งเป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดก็คือไม่อยู่โคนไม้ไม่อยู่ร่มไม้อยู่กลางแจ้งเช่นอย่างภารานหินกว้างๆนี่เราก็ไปอยู่เราก็ไปอยู่เป็นคืนๆอยู่เป็นวันๆอยู่เป็นคืนๆเราจะอธิษฐานตลอดไปไม่ได้หรอกเราจะต้องอธิษฐานเป็นเป็นระยะระยะเช่นอย่างเราจะอธิษฐานตลอดคืนเนี่ยคืนนี้เราจะอยู่กลางแจ้งตลอดคืน ไม่เข้าที่มุงไม่เข้าที่บังไม่เข้าโร่มไม้ไม่เข้าในปา่าอยู่กลางแจ้งเขาเรียกว่าอภัวริกเป็นเก้าข้อแล้วก็นั่งอยู่อิริยาบททั้งสามอิริยาบทตลอดคืนเป็นวัดมีเป็นทุลองอีกข้อหนึ่งเป็นสิบนั่นเรียกว่าเนสัชชิเนสัชชิอยู่ในอิริยาบทยืนเดินนั่งไม่นอน ไม่นอนตลอดทั้งคืนไม่นอนตลอดทั้งคืนชนิดที่เคร่งที่สุดก็คือไม่หลับทั้งคืนอันนั้นคือเคร่งที่สุดเลยบางทีเราไม่นอนเรานั่งแต่อาจจะเคลิ้มไปบ้างหลับไปบ้างอันนี้ก็ถ้าดองก็ยังไม่ขาดแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่อกกริชถ้าอยากอกกริชจริงๆก็คือไม่หลับทั้งคืนไม่หลับทั้งคืนนี่คืออยู่ในสัจฉิในสัจฉินั่งทั้งคืนเนี่ย แล้วก็ทุดงอีกข้อนหนึ่งก็คือไม่รับอาหารตามส่งเป็นวัดเช่นอย่างเรารับอาหารตรงหน้าสลาตรงนั้นน่ะเราไ ม, มา่มารับอาหารบนสลาตรงนี้เรานับอยู่รับอยู่นู้นเขาใสยอยู่เพิงนู่นนหรือไม่เรารับในบ้านมาแล้วเราก็ไม่รับไม่รับบนสลาไม่รับอาหารที่เขาตามมาสง่งเรา บ, บินทบาทได้ยังไงได้กี่หมอกกี่หอไนดะ้อะไรยังไงแล้วก็ยินดีพอใจแล้วก็ขบฉันอยู่แค่นั้นอันนี้เป็นทุดงข้อนึง ก็เทุดองไม่รับอาหารที่ตามมาส่งเป็นวัดทุนดองอีกข้อหนึ่งเป็นกี่ข้อแล้วไม่รู้นี่ทุนดองอีกข้อหนึ่งก็คืออยู่เสนาสนะที่หมูจัดให้เป็นวัดไม่ใช่ไปเที่ยวเดินหาอยู่เองนะกุฏินี่อยู่มันดีก็ย้ายไปกุฏินั้นกุฏนั้นอยู่มันดีก็ย้ายไปเลยไม่รู้ต้องกี่แห่งกี่หวนั่นแหละแบบนี้ไม่เป็นทุนดงถ้าเป็นทุนดองมูจัดให้อยู่กุฏิไหนเราก็ต้องอยู่กุฏินั้นเป็นวัด อยู่ไปจําตรงนั้นแหละมูจัดให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นเป็นวัดเห็นไหมไม่ไม่ไมไมทําความรําคาญไม่ทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคนอื่นจัดให้อยังไงอยู่ยังไงก็เราก็อยู่อย่งางงั้นจัดให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นเป็นวัดนี่นี่เป็นทุตลงอีกข้อหนึ่งนะไม่รู้ได้กี่ข้อแล้วล่ะเนี่ยทุตลงทั้งหมดสิบสามข้อเนี่ยอืมสิบสามข้อเหลือข้อไหนอีก นี่คือทุลงแต่ละข้อแต่ละข้อทุลงแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยถ้าหากเราไม่ทําท่านก็ไม่ปรับบัติแต่ถ้าเราทําเราตั้งใจทําจะเป็นอุปกรณ์จะเป็นเครื่องมือจะเป็นปฏิบัติจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลาของเราขัดเกลารกายวิยากายวยายใจใจของเราเนี่ยให้เป็นคนใกล้ชิดไปกับเกี่ยวกับเรื่องของสัจธรรม เกียกัเรื่องของการภาวนาทําให้เราสะดวกสบายในการภาวนาทุดลองทั้งหมดเป็นเรื่องขัดเกลาร์เท่านั้นแหละทุดลงทั้งหมดมีอะไรเป็นหัวใจทุดองทั้งสิบสามข้มีสัจจะเป็นหัวใจสัจจะคือการตั้งลงไปถ้าเราขาดสัจจะเมื่อใดทุดลองก็ขาดเมือนั้นถ้าเรายังถือสัจจะนั้นตลอดทุดองนี้ก็พลังไปตลอดถ้าเราไม่ถือสัจจะเมื่อไหร่ทุ ด, ดงก็ขาด พวกเราอยู่ทุกวันเราก็อยู่อย่างมีทุดดงนอกจากถือสตุลงแล้วพวกเราก็มีการอดข้าวกันอดอาหารกันการอดอาหารนั้นมันก็เป็นการทรมาร ก, กายอย่างหนึ่งไ ม, ไม่ให้ให้ร่างกายมันคึกขนองเนี่ยคือข้อปฏิบัติมากมายแยะเราต้องไปศึกษาไปดูไปไข่ครวนให้ดีถือเป็นข้อปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ใช่อยากเที่ยวเที่ย ว, ยวไปตามใจชอบแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็เตลิดเปิดเปิงขาหักแข่งหักหําขาด มันมีเดี๋ยวนี้ไงพระใหม่ๆนี่แหละปวดมาบางทียังไม่เข้ารรษาอยากไปแล้วอยากอิสระอยากไปอยู่อิสระไม่อยากทําอย่างนั้นเพราะไปแล้วมันทําอะไรได้ตามใจชอบจะถูกอะไรถูกข้อปฏิบัติข้อไหนข้อไหนอะไรไม่สําคัญแหละพ่าแต่ไปแล้วมีอิสระมันมีอิสระทั้งๆที่เราทิ้งข้อวัดปฏิบัติ ทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมทั้งไม่ถูกกดเกณฑ์ที่พุทธเจ้าท่านส่งอนุญาตไปก็ยังถือปฏิบัติอยู่มันมีหลายคนแล้วที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เสียละนอกจากไม่เสียแล้วก็สึกบางทีก็เสียแล้วก็สึกมันเป็นอย่างงั้นนะยังงั้นท่านจะบัญญัติให้อยู่กับครูบาอาจารย์สี่ปีห้าปีจนได้หลักได้เกณฑ์ อยู่หปีไม่ใช่อยู่ยังหลับหูหลับตาอยู่อยู่ยังศึกษาฝึกฝนอบรมข้อปฏิบัติเป็นไงอาบัตหนักเป็นไงอาบัตเบาเป็นไงปาราชิกสี่เป็นยังไงสังขารที่เสีสิบสามเป็นยังไงอ่านิสกิโยปายิตีลาิตีปายเทศนิยะอ่าทุกกฎทุกภาษิตอาบัตแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละอย่างแต่ละอย่างคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างอันไหนที่จะนำเอามาเป็นข้อปฏิบัติพอที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวได้เราต้องรู้หมด ธรรมะข้อไหนบ้างเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับความเป็นอยู่เกี่ยวกับทุดงขวัญเกี่ยวกับอะไรต่างๆต้องเอาตัวรอดหมดต้องทริ่มจากเอาตัวรอดและที่สําคัญที่สุดต้องมีกําลังให้กับใจของตัวเองคือมีอย่างน้อยมีสมาธิเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่ใช่ไปเที่ยวสายแสายหาเรื่องกับคนนั้นหาเรื่องกับคนนี้ยกโทษเรื่องนอนยกโทษ เรื่องนี้ยกโทษยกกรณ์กับคนนั้นกับคนนี้ไปกะเกณฑ์ยังไงเป็นยังนั้นไปกะเกณฑ์ยังงให้เป็นอย่างงี้เวลาไม่เป็นไปตามใจก็ขัดข้องภายในหัวจิตหัวใจไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมเป็นเรื่องกิเลสทั้งหมดครูบาอาจารย์รู้อยู่ขณะไหนระดับไหนท่านให้ไปได้ท่านให้อยู่ได้ท่านให้ไปได้แต่เราส่วนมากมันมีแต่นอกลูก่นอกทาง แล้วพอปล่อยไปปล่อยไปสัหน่อยไม่ดูแลรักษาปล่อยไปส er> ัหน่อยแบบเจ้งแล้วปล่อยไปสัหน่อยแบบเจ้งแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรบางคนตั้งออกตั้งใจที่จะอยู่ยาวๆไปไปสัหน่อยหนึ่งแบลืมตัวแล้วลืมตัวแล้วเกลเละลากเอาไปกินแล้วซื้อเอาไปกินแล้วออกไปสัหน่อยซื้อเอาไปกินแล้วออกไปสัหน่อยหมดกําลังกิตกําลังใจแบบซึกแล้วไม่พอที่จะได้ประโยชน์สอดที่ผลอะไร การฝาฝืนผู้ที่ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมบอกแน่ด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่นึกไม่คิดไม่พิจารณาเห็นเป็นเรื่องง่ายเห็นเป็นเรื่องกล้วยไปหมดเห็นเป็นเรื่องไม่สําคัญไปหมดไม่มีอะไรสําคัญในจิตในใจของสาคัญตัวคนเดียวในสุด้าไปมารอดก็จอดตอนนี้นี่เรื่องต่างๆเหล่านี้มีแบบมีฉบับไม่ใช่ ของย่างไม่มีแบบอย่างไม่มีเชื้อแบบยาดูง่ายๆ่ยอยากคิดง่ายๆให้คิดเป็นเรื่องมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์พวกเราตั้งใจจะเป็นคนดีคนดีสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอยู่ตรงนี้ใครอยู่ได้มากอยู่ได้น้อยสร้างสมอบรมไปตามบุญญาวาสนาบารมีของตนเองอย่าไปทําอะไรออกนอกลู่นอกทางมีคนบอกมีคนสอนอยู่มีคนดูแลอยู่มีคน ให้คำปรึกษาให้คำอบรมอยู่้ายะว่าไปแล้วก็มีพี่เลี้ยงอยู่้ายะว่าพ่อเขามีพ่ออยู่้ายะว่าเพื่อนเขามีเพื่อนอยู่ทาจะว่าผู้ดูแลเพื่อไม่ให้มีเวรมีภัยมีอันตรายเกิดขึ้นเขามีอยู่แต่สำคัญข้อเดียวว่าไม่ฟังไม่ฟังไม่จบดูให้ดีพี่เจนน่าให้ดี พวกเราตั้งใจจะสร้างมิ้สร้างตัวแต่สิ่งเหล่านี้มันมียุคไหนสมัยไหนมันก็มีแหละคนดื้อมันมีแม้แต่เป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าต่แทมก็มีมีไปเธอยังไปไม่ได้เธอยังไปไม่ได้อยู่กับเราไปกับเราก่อนเธอยังไปไม่ได้ เธออยู่กับเรามีใครอยู่กับเราเนี่ยไม่ฟังนะทินงผ้าของพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้ น, น ไ, ไปไปภาวนาตามใจชอบไปก็ไปถูกราคามันรบเราในทีนี้กรดเดืดอเปืงต้องหนีมาหาท่านนะ่ะนั่นเห็นไหม <c oughs> พระศาสดา บ, บอกแท้ไม่ฟังมันดูความดื้อหัวดื้อของคนเนหะ็นไหมมันมีอยู่พระอะไรลืมชื่อั่านละ สมัยพุทธกาลนั่นแหละค่อยครคัวให้ดีนึกให้ดีคิดให้ดีพิจารณาให้ดีเรามีหมู่เพื่อนที่ตั้งออกตั้งใจทําอย่าให้มันกระทบกระเทือนใจท่านกระเทือนใจเราอย่าไปนึกไปคิดแบบคนไม่มีหลักมีเกณมแล้วก็ตํานึกตาหนิติเตียนคนนั้นนึกตำหนิติเตียนคนนี้นี่ไม่ใช่ห้อยกิตห้อยใจของพระแบบนี้เอามันทิ้งให้หมดเอามาทําไม แล้วบางคนไม่ใช่นึกคิดธรรมดาเฉยๆนะไปวิจารณให้คนนั้นฟังไปวิจารให้คนนี้ฟังเพราะมันออกจากปากไปแล้วมั น, นร้อนใจเนี่ยเสียสิมันอยู่ไม่ได้มันไม่รู้ท่านจริงหรือไม่จริงอะ่ะบางทีไปเห็นกิริยาที่เราไม่ชอบคือไม่ถูกกับที่จะของถือจะาของปฏิบัติก็เป็นตาหนี้เขามันต้องรู้จากอัธยาศัยของกันและกันคนนั้นมีอัธยาศัยเป็นงั้นเป็นปนั้นเขาพูดอะไรก็ต้องฟังเขา ไม่ใช่เชื่อฟังแต่อาจารย์คนเดียวบางทีไม่ฟังอีกเลยซ้าไปมูเพื่อนบอกก็ไม่ฟังอันนี้ก็แย่อ่เหมือนกันนะมูเพื่อนเราเนี่ยเราเป็นพี่เลี้ยงให้กับกันและกันได้ให้เราบอกกันในทางที่ดีแล้วเราฟังกันอย่างดีฟังกันเพื่อเอาไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราเป็นคนหัวดือ้อเป็นคนคี้ดือ้อเขาบอก เป็นศิลเป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติแลนะ้วเราต้องถือเอาต้องปฏิบัติเอามันถึงจะเกิดสวิเกิดมงคลเป็นโสวะจัสตตาเป็นผู้บอกง่ายสอนง่ายแต่ถ้าเขาบอกสอนเรื่องกิเลสมันติดใจเร็วแล้วเกินทำเร็วแล้วเกินติดใจเร็วแล้วเกินถ้าเป็นเรื่องของอิเลสถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วก็หาเรื่องมาขัดแย้ง่ะกลางเล็บใส่กัน ท, ทันทีทิฏฐิมานะทิฏฐิมานามฆ่า ฆ่าคนมาเ ท, ท, ท่าไรต่อเท่าไรแหละทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะไม่เคยช่วยใครให้ดีได้มีแต่ทาลายเหมือนปีกล้วยฆ่าต้นกล้วยเหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ทิฏฐิมานะของคนว่าฆ่าบุคคลคนนั้นให้ตายจากสินจาับทมเที่ยนเดียวกันโยนทิฏฐิมานะไม่มีดีคําว่าทิฏฐิมานะก็ถื อ, ถ, อถือดีถือดีของตนอ่ะไม่ยอมฟังเหตุฟังผลของใคร ให้บอกก็ไม่ได้ใครเตือนก็ไน่ได้ไปทำผิดทั้งรุ่นนะนะเขาเห็นนะทำผิดทั้งรุ่นแต่แทเนี่ยเขาบอกไปยังไม่ยอมรับนอกจากไม่ยอมรับยังเกลียดโมโหทัศน์สุให้เขาต่อเตือนเข้าไปเราคิดลูที่คนแบบนี้เนี่ยต้องเอาไปลอยเกาะล่ะไม่ต้องให้อยู่กับใครอะ่ะเป็นคนที่หมดคุณค่าจริงๆสังคมไหนถ้ามีแบบนี้แล้วก็แย่ทําให้โมยุ่งเลี้ยงวุ่นวายไปหมด เราไม่อยากให้มีเราโกโลโกโสก็าตามเนีะเราไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นมีแล้วโอ้โหมันน่าสมเพชเวทนาทําไมหัวขิดหัวใจของคนถึงเป็นอย่างนี้จิตใจมันไม่อยากได้ยินได้ฟังไม่อยากเห็นนัสลัดโยนทิ้งกีทั้วหยิบเนะอย่ว่าแต่ต้องมาบอกมาสอนมาชำนาญ ค, ความอะไรต่ออะไรอย่าพูดถึงอย่างนั้นอ่ะ มันอยากหนีไปอยู่หนุ่นอยากย้อนไปอยู่โลกไหนก็ไม่รู้หรอกใจมันไม่มันไม่เป็นธรรมมันไม่มีอะไรเป็นธรรมทำความวุ่นวายให้กับมู ก, กับเพื่อนกับอะไรยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดนี่แหละท่านบอกว่ามีคนบอกหนูคนทางไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปสูม่มรรคไปสู่ผลไปทางนี้ไปทางนี้แต่แทนที่จะไปตามมือที่ท่านชี้มาท่านล่อกห้ท่านอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่ไปไหนล่ะ ไม่ไปไหนอ่ะคนก็คอยบอกเนี่ยด้วยความหวังดีอะไปทางนี้ไปทางนี้ไปานี้อามาทะเลาะมาทะเลาะกับคนชี้ทางให้ก็หมดทั้งการตอนแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกเป็นอยู่อยู่ในโลกพยายามสํารวจ ร, ระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นมีขึ้นในเราพูดเป็นคติเป็นข้อเทียบเทียงเป็นข้อเตือนจิตสกิดใจพวกเราสิ่งเหล่านี้ไม่ดี ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการทำยังไงจิตใจของเราถึงจะสงบทําังไงเราถึงจะทํำลายความรุ่มหลงภายในใจของเราได้กิเลสภายในใจของเราจะเบาบางลงไปทำํำไมเราจะถึงจะมีความรู้ละเอียดลึกซึ้งลงไปเกี่ยวเรื่องภาพปฏิบัติให้เกิดความรว้เกิดความเข้าใจให้ได้รับความสงบให้ได้เป็นีิพึ่งของตนของตนเนี่ยคิดนึกใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้ให้มาก อย่าไปเอาสิ่งอื่นมาใส่ให้มันรกใจเอามาใส่มารกใจทำไมเรื่องของโลกเรื่องของโลกธรรมมีอยู่ในโลกเราไม่ออกมาอยู่ในบ้านน่สิ่งอห่านี้มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมือง น, นั่นน่ะเราออกมาแล้วเราเอามาทำไมเราเอามาเราเร็วกว่าชาวบ้านเขานะ่ะเราเอามาเนี่ยก็วางให้ดีแต่แท้แหละผมพูดเลยๆผมพูดให้หมูคิดนะ เอาไปคิดเอาไปนึกเอาไปพิจารณาไปแคร์ครวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามนั้นได้ทุกคนไม่ว่าโยมไม่ว่าพระเอาไปนึกไปคิดไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่เราถูกกับทิฏิลิสัยของเราแล้วเราก็พล่อยชุ่มชื่นดีอกดีใจอันไหนที่เราผิดเดินอย่างนั้นผิดก้าวอย่างนั้นผิดก้าวอย่า ง, งานี้ผิดตั้งความนึกคิดใน ทิฏฐอย่างนั้นเป็นงั้นเป็นอย่างนี้นนนมันผิดไปจากหลักที่ท่านบอกท่านสอนเอาไว้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพราะตรงนี้เป็นเวทีดัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชําระสักฟอกจิตใจกิริยากายกิริยาวาจากิริยาใจห้องไขห้องเราด้วยกันทุกคนเป็นสนามฝึกเป็นศูนย์ฝึกเป็นแหล่งฝึกเป็นเบ้าหลอมคนให้ดีตรงนี้ตรงนี้หมายถึงข้อปฏิบัติ ของศีลของธรรมพยายามนึกพยายามคิดพยายามพิจารณาใไขขวอให้ดีตั้งออกตั้งใจไม่ได้หมายว่าใครจะเป็นอย่งงางนั้นหรอกพวกเราก็ตั้งออกตั้งใจทํากันแต่พูดเป็นข้อเตือนจิสตสะกิดใจถ้ามีถ้าเริ่มจะมีก็ให้ยกเลิกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่อย่าให้มันเสียอย่าส่งจิตส่งใจออกนอกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางนอกข้อปฏิบัติอย่าไปส่ง ไอสิ่งที่มันฝาฝืนกฎระเบียบขนบธรรมเนียมวัดวาครูบาอาจารย์ที่ท่านพาถือพาปฏิบัติพาทมอย่าอากอย่าหานันล่วงละเมิดสิ่งเหล่านั้นเข้าจะเป็นการทำลายตัวเองตั้งอกตั้งใจเผาจะได้สติได้ปัญญาได้กำลังได้เรยวแรงรักษาสินตั้งใจรักษาสิ่ให้ดียิ่งดีเยี่ยมข้อไหนที่เราไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจก็เอามาดูมาสอบเอามาไตา่ามาถาม เวลาพลังเผยออะไรไปบ้างเขาบอกก็ให้ฟังอย่ไมท่ทิมานะแล้วก็เป็นเหตุเถียงกันทะเลาะ ก, กันแล้วก็กระทบกระเทเรียนกันกระทบกระทแทกันแล้วก็หนีสมมติวันนี้ไปแล้วทั้งสองคนเนี่ยหลังจากหนีไปแล้วเนี่ยไม่มีใครผิดนะน่ะสองคนที่หนีไปที่ทะเลาะกันอันนี้ไปไม่มีใครผิดมีแต่คนถูกนั่นนะ่สิ่งที่เหลือผิดอยู่เบื้องหลังก็คือวัดกว่าวัดไม่ดีนะนะั่นน่ะมันใส่ร้ายเข้ามาแล้ะ ว, วัดไม่ดี หนังหนกเข้าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีดีสองคนเลยเปิดตั้งสองคนถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้มันเปิดไปอย่างนั้นนะเห็ น, นไหมไม่นีดีแล้วไม่มีความนึกคิดอะไรเป็นเรื่องสร้างสรรค์ให้เกิดสติปัญญาเกิดอาจเกิดทํามขึ้นมาในใจเราพิจารณาค่ายครัวไต่กรองให้ดีคนโลกปัจจุบันนี้มันเป็นความต้องการของคนที่ต้องการผลผลไม่สนใจเรื่องเหตุเหตุ ทำสเปรย์สปาไปตามเรื่องแต่จิตใจเนี่ยหวังแต่สิ่งดีสิ่งดีด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ต้องการจะสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบา ร, รมีแต่อยากได้ดิบอยากได้ดีอยากได้อำนาจวาสนาอย่าให้มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามันมีได้ที่ไหนความปรารถนานี้มันไม่ใช่จะเพิ่งมีเฉพาะเราเดียวนี้มันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละความปรารถนาของคนในโลก มีแต่ความปรารถนาเฉยเฉยแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําเหตุแล้วผลที่ไหนมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้มันมีขึ้นไม่ได้ผลทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุที่เราทำนึเมื่อเราทําเหตุดีงามถูกต้องแล้วเนี่ยผลเราไม่ต้องเรียกร้องผลก็ย่อมตามมาเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากว่าเราไปสร้างเหตุเอาไว้แล้วผลย่อมตามมาเป็นเรื่องธรรมดาตั้ง อ, อกตั้งใจโดยเฉพาะหน้านี้มันเป็นหน้าใบไม้นะ อถึงการถึงคราวปัดตาดก็ช่วยดูแลปัดตาดกันใบไม้เกร็กพลังเต็มไปหมดก็ช่ว ย, ช, วยช่วยกันดูมันหนักนะบางองนี้หนักอย่าให้มันมีหนักคนนั้นหนักคนนี้เบาคนนั้นเบาคนนี้ให้ช่วยดูแลกันบางอง ก, ก็อดข้าวอดอะไรบางทีเอาไปใช้เรียลแรงยังจะเป็นลมเป็นแรงก็มีเราต้องต้องดูกันนะอย่างอืนถา้าหกเราไม่ได้รีบเร่งรีบร้อนอะไร ถึงคราวข้อวัดปฏิบัติเราก็ต้องช่วยกันให้มองเห็นเป็นเรื่องกดเป็นเรื่องระเบียบอย่าเห็นเป็นเรื่องง่ายการเห็นเป็นเรื่องง่ายนัเ น, เ ป, นเป็นเรื่องทําลายตัวเองทําลายไปเรื่อยทําลายไปเรื่อยทําลายไปเรื่อยในที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือให้มีกดเอาไว้ให้มีระเบียบเอาไว้ให้มีกฎเกณฑ์เอาไว้งานใดที่เราพูดกันเป็นเรล่องลำเวลาเราก็ต้องทําตามนั้น เป็นอย่างบ่ายมองมาชานน้ำร้อนแล้วก็ไม้ทันน้าร้อนบ่ายสามเราปัดตาดเราก็เริ่มจากกุฏิเรามาเลยเราก็เริ่มก่อนนั้นสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่บ่ายสามเราไปจับมาจากกุฏิเราไม่ใช่ี่อย่างช้าที่สุดแบบบ่ายสามก็เริ่มจากกุฏิเรามาแต่ถ้าหากเราระมัดระวังเตรียมเือเตรียมตัวก่อนกุฏิเราอยู่ใกล้อยู่ไกลต่างกันเราก็เริ่มก่อนก็ได้สองนาทีสามนาทีห้านาที แล้วก็ปัดเดินตามใครอยู่ช่วงไหนเ <Laser> ดินผ่านช่วงไหนมาก็ปัดไปเลยไม่ใช่เดินผ่านเฉยเไม่ใช่แบกตาเดินผ่านเฉยเฉยไม่ถูกใครอยู่ที่ไหนก็ปัดมาใครอยู่ช่วงไหนก็ปัดมาสมมติอยู่ในเราให้อ์นั้นสองสามองวันนี้องนี้ปัดวันนั้นก็องนั้นปัดวันนั้นก็องนั้นปัด <S <S ๆๆ <iyoruz> ไม่ใช่ปล่อยให้แต่คนไหนเคยปัดก็ให้แต่คนนั้ น, นปัดที่เขาบ้างทีเราบ้างเราก็ช่วยปัดมาอันนี้เราหมายถึงรายทางที่เราจะมาที่สลาน์เราก็ทํามา ตรงไหนมันเกลกลางก็รู้อย่าปัดตั้งอกตั้งใจปัดให้ดีทําข้อวัดให้ได้บุญตั้งใจให้ดีให้ได้บุญการปัดกวาดนี่มีบุญนะมีอานิสงส์การปัดกวาดการทําความสะอาดปัดกวาดวัดมีอานิสงส์มันมีอานิสงส์ทั้งนั้นแหละ <S <S นอกจากนั้นแล้วนี่เราก็ตั้งใจภาวนามาด้วยปัดซ้ายปัดขวามาแล้วก็ภาวนามาด้วยภาวนามาด้วยกวาดมาเรื่อยอย่าไปนึกล่วงหน้าว่ามาก ไ, ไปน้อยไปอะไรไป คนนั้นไม่ออกนี่เหมือนคิดหาแต่โทษ น, นั่ะอย่าไปคิดแบบนั้นแล้คิดภาวนามาเลยอะไรที่จะเกิดประโยชน์ในใจเจ้าของคิดตั้งใจทําแต่ยิ่งนั้นใบไม้มันเกิดกลางตรงไหนมันใกล้ปกติที่อยู่ที่พักที่อะไรก็ดูปัดกวาดให้ดีโดยเฉพาะบริเวณใจกลางเนี่ยเนี่ยสาธารณะประโยชน์นเนี่ยโรงรถรงรารองอะไรนห้องน้ําที่เป็นสาธารณมาดูปัดกวาดให้ดีบางที่็เลี้ยวไปใส่แต่ ลานกว้างๆและแล้วก็ทิ้งไอ้ตรงที่กวาดยากๆเราไม่ค่อยไปสนใจดูบางทีไม่รู้กี่วันไปกวาดไปสักทีหนึ่งกวาดดูไปให้ทั่วถึงตรงนั้นมันเกิดการกวาดไปคือใบไม้ห น, น้านี้มันเยอะแต่ถ้าหากฝนตกมาครั้งสองครั้งเนี่ยปลวกมันกินสัหน่อยหนึ่งหมดเรี่ยงเราเห็นตอนนี้พันนวนเทันทึกใบไม้เนี่ยเราไปดูฝนตกสองสองสาครั้งเนี่ยปลวกกินหมดหมดเรี่ยง เราไม่ต้องห่วงมนะัน่ะถ้าขนตกมาแล้วเนี่ยใบไม้นะอืแต่ตรงไหนมันอยู่ทถ้ำกลางมันอยู่ในที่มากจนเกินไปเราขนไปทิง้งขนไปทิง้งขนตั้งอกตั้งใจทําให้เกิดบุญเกิดกุศลจริงๆดูแล้วน่ารักน่าเคารพน่ายําเกรงเราดูอย่างนี้นะเราดูหมู่เนะี่ยเราดูหมู่ที่สนอกสนใจตั้งออกตั้งใจทําขอวัดเราดูแล้วเราดูด้วยความเคารพด้วยความยําเกรงด้วยความ ย ก, กย่องสรรสืนนะแต่อเป็นประเภทฉาบช่วยคยุกยุกคี ค, ค, ค, ค, ค, คีเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหนักเห็นบ้างไม่เห็นบ้างทําบ้างไม่ทําบ้างรู้แล้วก็เฉยๆตั้งออกตั้งใจทําให้ดีตามห้องน้ํานี่เราเคยเน้นอยู่นะตามห้องน้ํำเราต้องช่วยดูกันด้วยห้องน้ําสาธารนณะหน้าสัลาเออยในครัวเออยอะไรเอเอย ใครปัดไปใกล้ตรงนั้นต้องเข้าดูเข้าไปล้างเข้าไปาศาสตร์เข้าไปอะไรดูในห้องน้ำมีอะไรขาดกระดาษขาดอะไรให้ดูเราทำเป็นประจําให้ทําเป็นข้อวัดให้ทําเป็นประจําถ้าเราไม่บอกเราไม่บอกคนใหม่ก็ไม่รู้เป็นเหตุเราต้องได้บอกคนเก่าก็ต้องดูต้องทําพาดูพาทําคนใหม่เราก็ต้องดูต้องทําการดูแลรักษาห้องน้ำเขาเรียกว่า เวดเวดจุกดีวัดอวัดในในห้องน้ํามันมีอยู่นะไปดูในวิในมีวัดในห้องน้ําดูแลทำความสะอาดห้องน้ํามันมีอยู่ไม่ใช่ไปใช้สอยแล้วก็ไม่ทําความสะอาดเราใช้สอยเองตามที่อยู่ที่พักของเรานนานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ไอ้ส่วนสาธารณะเนี่ยสำหรับแขกคนที่มาได้ใช้ได้สอนเราก็ต้องดูทําก็ทําเวลานี้แหละเวลาเราปัดตาดปัดกวาดนี่แหละ ไม่ใช่เราจะปัดเฉพาะบริเวณบริเวณข้างในบริเวณข้างๆฝ้าผืา้อผนังคนนึงอะไรสกปรกเราไปดูไปสาไปกวาดทาดูแลทุกวันเป็นประจาทําจนเป็นอาชีพทําจนเป็นนิสัยเป็นนิสัยจริงๆนะทําให้เป็นนิสัยนี่เป็นนิสัยจริงๆไปดูไปเห็นแล้วก็ขัดข้อหงหูตาแล้วก็ต้องได้ทำแหละบางทีเหนื่อยจะเป็นจะใจใจจะขาดบางที <c oughs> มันไม่มีแรง จะเป็นต้องได้ทําแหละมันเป็นนิสัยจริงๆแหละเราทําให้เป็นนิสัยนะี้เป็นจริงๆเนี่ยนิสัยเหล่านี้มันก็ไปด้วยเราเนะ่ะมันไปกับเพราะมันอยู่ที่ใจ่ะมันเป็นไปด้วยกันหรือเราจะคิดว่าเออโงอ่โมแต่งง่ถือนอะนตายสิ่ะนั่นน่ะไม่ได้ประโยชน์แล้วแหละคิดแบบนั้นอ่ากุศลขอ้อวัดปฏิบัติเราต้องหลวงตาท่านบอก ใครขาดคนนั้นก็คือขาดใครขาดคนนั้นคือบกพร่องไม่ใช่คนนั้นทําแล้วก็แล้วคนนี้ทําแล้วก็แล้วเราไม่ทําไม่ใช่ใชเขาทำมันคือเขาได้เราไม่ทำมันคือเราขาดท่านบอกว่าต้องให้ทําไม่มันขาดตกบกพร่องขอวัดเนี่ยโดยเฉพาะเวชจกักรดีวัดเนี่ยห้องน้ําในห้องน้ำนํำเราต้องไปดู มึ่งเราผ่านไปองค์หรือสององเขาเข้าไปดูดิโคราแนวโคราแถวโคราห้องสองห้องดูดูดูก็ต้องดูให้เป็นกดเป็นระเบียบโดยไม่ใช่ดูเฉยเฉยศักดว่าเห็นสกปรกแล้วก็ทิ้งไว้อยู่งนั้นไม่ดูไม่ทําไม่สะอาดนะไม่อะไรบางทีไม่มีกระดาษไม่มีอะไรก็เอาไปใส่บางทีตรงที่วางสบู่ที่อะไรมันสกปรกมันเปอะมันเกระกลางขนาดไหนก็ตามไม่ดูไม่เลย เอามาขัดเอามาถูเอามาอะไรให้ดีดูให้ดูให้สะอาดดีเราทําทั้งหมดนี่เราทำเองประโยชน์ส่วนที่ผลมันจะไปไหนแล้วก็เราได้เองคนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทำแต่คนต่างพร้อมเพียงกันทํามันก็พร้อมเพียงสามัคคีด้วยการทํามันไม่เกี่ยงกันไม่มันมันไม่แข่งแย่งกันมันไม่เพ่งเล็งเพ่เล่งกันมันเกิดความสามาัคคีเกิดความปรองดอง กลายเป็นธรรมที่ทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นผาสุขดูไปทั่วๆกการปัดกวาดนะคนนั้นไปตรงนั้นคนนี้ไปตรงนี้อย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนใดคนหนึ่งเป็นหนักอยู่กับคนคนเดียวนะดูให้ทั่วถึงตรงไหนอยู่ในสายหูสายตาที่เราจะดูเลยทำความสะอาดทำหมดไม่ใช่ใดเวลาทำความสะอาดแล้วไม่ใช่จะทําเฉพาะบริเวณตรงที่เรากระทำตามห้องน้ําห้องท่า โดยเฉพาะอย่างข้างๆในครัวร่องฟืน้นร่องไฟอะไรแถวนั้นต้องดูด้วยปัดกวาดเช็ดถูให้ดีห้องน้ําห้องท่าอะไรดูทำความสะอาดให้ดีเพราะพระเข้าไปดูไม่ได้โดยเฉพาะในครัวเนี่ยพระเข้าไปดูไม่ได้ในครัวนู่น่ะในครัวใหญ่อะแต่ถ้าเป็นในครัวข้างในเนี่ยเขาไปปัดกวาดทุกวันเขาไปดูแลทุกวันเวลาเราไปเข้าที่อะไรที่นู่น่ะดูมันไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเท่าไหร่นะมาดูของเราเนี่ยพวกเราทําทุกวันก็ดู ยังพอดูได้ยังพอหน้าดูไปดูที่นู่นเกิ็ดฟังไปหมดดูดูด้วยตั้งใจดูช่วยดูกันการที่เราทําตั้งใจทํำนี่แหละมันมันเป็นการทําผลงานให้เกิดขึ้นมีขึ้นเราอยู่สุขสบายเฉยๆไม่มีผลงานไม่ได้ประโยชน์อะไรบารมีก็ไม่เกิดผลงานไม่เกิดบารมีก็ไม่เกิดบุญก็ไม่เกิดอยู่อย่างทะนุถนอม ร่างกายให้อยู่เย็นสบายผิวพรรณผ่องแต่ในขณะเดียวกันแผานพลังงานไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันไม่เกิดประโยชน์อะไรแผานพลังงานคืออะไรกินและกินกินแล้วนอนอะไรแผลนพลังงานพลังงานใส่เข้าไปแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรในระหว่างที่นอนหลับมันก็ย่อยไปเกือบหมดแล้วตื่นขึ้นมาหาใส่เข้าไปอีกแล้วแผลนพลังงานเฉยๆไอตอนที่เขามีเรี่ยวแรงอยู่ไม่เอาไปใช้ไปสอยทําให้เกิดประโยชน์ ร่างกายนี้ถ้าเราไม่เอาไปทำให้เกิดประโยชน์มันจะไม่ได้รับประโยชน์อเดี๋ยวมก็ตายเดี๋ยวก็เอาไปเผาเอาไปฝังเดี๋ยวก็เปื่อยก็เน่าทิ้งทันั้นเลยร่างกายนี้ใชใ้เกิดประโยชน์เกิดบุญเกิดกุศลเข้ามาที่ใจพอให้ใจได้หอบได้หิ้วไปสู่อัตภาพข้างหน้าอะไรคือประโยชน์ให้ตั้งออกตั้งใจทำํำมูเราต้องได้ช่วยดูกันแหละ ต้องขวาวัดปฏิบัติอะไรกันหนิฝึกฝนอบรมอยู่อยากอยู่ป่าก็ไปอยู่ที่ในป่าในวัดเรามัน อ, อดที่ไหนไปสองสามคนไปอยู่คนละอนเนินก็ไปที่ตอนค่ำเนี่ยใกล้สว่างก็กลับเข้ามาอที่สําคัญก็คือรู้จักกดรู้จักระเบียบรู้จักหลักรู้จักเกณ ร, ร, ร, รู้จักอะไรต่ออะไรให้ดีไม่ใช่เขาชวนเห็นเขาไปแล้วอยากไปตามเขาจิดมันส่งไปแล้วแหละ เห็นเป็นดีเป็นดีนดสุขขารมไปตามเขาไปแล้วปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มิยังไม่รู้เรื่องสองใจไปตามเขา้วเวลาไปได้รับทุกข์เดือดร้อนอายต่ออะไรแล้วมาบนตามหลังอีกโอ้ยทุกอยางลาบากกันดันอย่างนั้นนี้มันเป็นเรื่องไปหาทุกข์นั่นนะคือพระอยู่วัดอยู่สุขสบายบางองค์ไปงั้นเขาต้องการไปทรมานตัวเองอยู่ก็ยากหาอาหารก็ยาก ไปขบก็ยากไปฉันก็ยากหาน้ําล้างบาดก็ยากหาน้ํามาขบมาฉันก็ยากหาที่หลับที่นอนก็ยากเดินไปเดินมาก็ยากมันยากไปหมดหละแต่ว่าการทํางานทําที่ไหนการทํางานนั่นคือทําที่ใจนี่แหละในระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปเราอยู่นี้เราก็ฝึกฝนอบรมที่ใจของเรานีให้มันได้หลักได้เกียรติเข้าไว้ไม่มีใครจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดหรอก อ่างนั้นวันี้มันจะมีที่อยู่เลยอไงวัดนี้ไม่มีใครอยู่อย่างนี้ไปตลอดหรอกอยู่เหมาะสมสมควรใน ก, การเกเวลาก็าออกไปเหมาะสมสมควรใน ก, การเกเวลาก็าออกไปมันสําคัญว่าเราสร้างพื้นสร้างฐานให้กับตัวเองนี่สําคัญผมนี่ยผมแท้จริงอย่างใจจริงจรเนี่ยผมรักรักหมู่อย่าให้อยู่อย่างนี้อยู่ในเพศนี้เห็นหน้าปั๊บเนี่ย ผมไม่อยากให้อยู่อย่างนี้ไปอย่าให้อยู่ตั้งใจประพฤปฏิบัตินี้ไปเรื่อยๆก็ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะมันผลมันอานสิสงมันสะท้อนมาทําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นไรแล้วเราถึงมีความประสงค์อย่างนั้นอยากอย่างนั้นว่ารับหมู่ก็รักถนอมหมู่ก็ถนอ ม, ม, น อ, มอย่าให้หมู่มีกฎมีระเบียบมีหลักมีเกณฑ์เป็นของตัวเอง แต่พอเราพูดอย่างนั้นขึ้นมาพูดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราขีดเพราะว่าเรากันเขาไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้คิดถึงเป้าหมายเขาไม่ได้คิดถึงความประสงค์เขาไม่ได้คิดถึงนโยบายแนวทางที่เราตั้งเอาไว้เราวางเอาไว้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละบางคนก็พิือบางคนก็ฟังบางคนก็ดื้อบางคนก็ดื้อดื้อจนเกินที่ที่เราขี้เกียจยุ่งด้วยแบบนั้นก็มี ดูดกผลอบรมไว้ละใหม่เราเนี่ยละที่บวชไม่กี่วันมานี้เนี่ยก็ดูไคร้ครวญใจตรองศึกษาเอาไว้เราอยู่วัดเนี่ยเราอยู่แบบผู้หลับผู้ใหญ่เราอยู่แบบผู้ใหญ่เราศึกษาแบบผู้ใหญ่อันไหนที่รู้แล้วอะไรแล้วเราก็เอาไปคือเอาไปปฏิบัติตามไม่จำเป็นจะต้องตามไปจำจี้จำชัย เราอยู่แบบผู้ใหญ่เราปกครองตัวเองมีกฎมีระบบมีระเบียบแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติไปตามนั้นทงออกตั้งใจวันไหนเราไม่ได้ไปชุมรวมกันก็ทําวัดเย็นพี่กุฏิด้วยละใหม่เราท่องยังไม่ได้เรเอาหนังสือมาเปิดว่าเอาทํ า, าวัดเช้านี่กับพยาไ ม, มา้ทานกันทําวัดเสียดแล้วก็นั่งภาวนาร่วมกันเราค่อยเก็บ ประโยชน์เอาตอนเช้าตั้งใจทําปรับเอาให้ดีแค่ตอนเช้าเราได้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตอนค่ําเราก็ไปทําเอาเองวันไหนเราประชุมเราก็ได้พากันทําวันไหนไม่ไประชุมเราก็ทํากันเอาเองเอาเนาะเอาเท่านี้แหละ